ธรรมชาดกแผ่นที่9าลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่8กรกฎาคม2557มีชื่อเรื่องว่างูเหลือมห่วรังวันนี้เป็นวันที่8 กรกดาคมพุทธศักราช2 5งัหเดมื่อกี้เนี่ยหลวงพ่อได้ถามพระพระในวัดของเรามีเท่าไหร่บอกว่าพระทั้งหมดมีอยู่สามสิบแปดรูปขนาดนี้แต่หลวงพ่อส่งไปบ้านสวนไม่ใช่บ้านสวนบ้านอำเภอเพนวัดป่ารวมธรรมอำเภอเพนแต่เมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อก็ไปพอฉันจังหัน บ้านของแม่สายเท่าแก่จูลูกศิษย์เก่าแก่ของวัดเราจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่นิมนต์พระของวัดพระวัดเราห้ารูปและกนาคูณไปฉันเมื่อวานพอฉวดมนสันเสร็จแล้วรู่พ่อก็เลยเห็นว่าใกล้อํเาเเผดเลยสวัสไปไปดูก็รู้สึกว่าศรัทธาญาติโยมลูกหลานมันหล่ ม, มาตุ่มกันขนาดหนัก กุฏิเหมือนกับเศษคาถาอะไรนะนลนรมิตขึ้นเป็นแถบๆไปพระก็จะให้พระจำพรรษาประมาณสักอย่างน้อยทั้งห้าถึงเจ็ดรูปนะกุฏิหลวงพ่อที่เขาทำสำรองก็คิดว่าคิดว่าจะเสร็จวันนี้เขาถมกำลังดินกาลังถมถมดิน รอบบริเวณนะอันนี้ก็คือกุฏิใหม่แต่วันนี้ทราบว่าทางวัดป่าบันตาดทาบุญครอบรอบสถานีวิทยุของหลวงตา8ปี8ปีปีนี้นะที่ทุนกระหม่อมฟ้าหญิงจุราพรมาเปิด สงตายังสงทตดขันอยู่เปิดสถานีวิทยุเสียงธรรมจากนั้นก็ไปได้ทำบุญแต่ปีนี้มันมีปัญหาเขาปิดสถานีมัง้งก็คงจะรวบรวมคู่คนยังไงข็ไม่รูล้ละแต่ก็ลุงพ่อพระมีภารกิจไม่ได้ไปเลยสงพระไปเมื่อเช้านีสี่รูป ไปฉันไปร่วมงานทอดผ้าปา่าแล้วก็เปิดทำปุ่นครอบรอบสถานีวิทยุเสียงธรรมของหลวงตาคงจะบินธบาดฉันเช้าเสร็จแล้วก็คงจะมีการประชุมหารือที่เขานั่นลหละเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มาปรึกษาไม่ได้มาพูดอะไรเขาคงจะมีอะไรในใจไว้แนล่ะ คงจะดำเนินตามนั่นกำลังแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงจวนจะเข้าพรรษาอีกไม่กี่วันวันนี้เป็นวันที่แปดและวันที่สิบเอ็ดเป็นวันอัสสรหบูชาวันที่สิบสองก็เป็นวันแรมค่ำหนึ่งเป็นวันเข้าพรรษาปีพุทธศักราช2005 ร้อยห้าสิบเจ็ดแต่งานลอกษะของของลกะหลงตาของพวกเราก็เขาก็ว่าจวนจะเสร็จแล้วแ่ะแต่หลวงพ่อไม่ได้ไปดูเพราะติดภารกิจตั้งแต่วันที่สองลงไปกรุงเทพไปฉันที่กรุงเทพอย่างพวก เ, เราท่านทั้งหลายรู้เห็น ได้ยินได้ประกาศให้พวกเราทราบแล้วก็กลับขึ้นมาอยังไม่ได้ไปดูแต่ทั้งทหารเขาก็พยายามทำอย่างเต็มที่เห็นแล้วก็ทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความหน้าที่การงานจริงๆเห็นแล้วผลงานของทหารที่ทำมาเนี่ยของหลวงพ่อเห็นนะครับภาคภูมิใจแต่ก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว ในเมื่อทหารจุดงานเมื่อไรก็อยากจะให้พวกเราทัานทั้งหลายเตรียมน ะ, เ, ะเตรียมผลหมากลากไม้พวกต้นไม้อยู่ที่บ้านของขายนี่ที่ไม่ได้ปลูกพวกหมากไม้พวกหมักซีดาพวกต้นว่าพวกหมักเม่าพวกตาขบพวกกระ น, นุนมะม่วงเอ่อ อะไรก็ตามผลไม้หลวงพ่อเองอยากจะให้เอามาลงข้างๆสระตัวนี้ละสะใจเนะี่ยพรามันเนื้อที่ทั้ง1ิไร่บริเวณรอบๆก็คิดว่าคงจะเป็นอาหารของพวกสัตว์ทั้งหลายคงจะเกิดประโยชน์ต่อพวกสัตว์เราจะปลูกแต่พวกขนุนพวกจะปลูกแต่พวกไม้สักประดู่มะค่าตะเคียนทอง เป็นไม้ใช้เท่านั้นก็คงจะขาดอาหารพวกสัตว์ป่าเพราะว่าสัตว์ป่าของพวกเราเนี่ยกันพวกนกพวกกระรอกกระแตพวกลิงข้างบางชนีเนื้อที่วัดของเราก็ตั้ง1ัน0กว่าไร่แล้วทางนอกนอกวัดของพวกเราก็มีตั้งแต่สวนยาง มีแต่สวนมันสวนยางพาลาเป็นสวนมากแล้วพวกสัตว์ทั้งหลายจะกินอะไร เ, เมื่อเข้ามาสู่วัดของเราก็ไม่มีผลไม้ไม่มีลูกใสไม่มีผลไม้กินก็อย่างไงอยู่แห้งแล้งเกินไปหลวงพ่อว่าดพะนั้นหลวงพ่อจึงเน้นพวกขนุนบัง้งมะม่วงบาง้งอะไรบ้างแต่หลวงพ่อไปเห็นขนุน ตามต้นพวกกลิงพวกกรอกกระแตมันกินนะลุงพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรเพรเหตุไรเพราะมันอาหารของมันกินเอถอะแต่มันเฉพาะจะกินอันไหนได้พบประทางชีวิตของมันแต่ถ้าเราอยากให้มันเหลือมันแล้วคื อ, อพวกพระจัตไาญาติโจมจะเอามากินก็ได้ไม่เป็นไรอีกแต่เราก็ไม่ได้หวงไม่ได้ห้หา เปิดให้พวกสัตว์ทั้งหลายเป็นอาหารของมันเนี่ยอันนีค้คืออยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายศรัทธาญาติโยมใครเห็นต้นไม้ที่ไหนเป็นไม้ผลจะเกิดประโยชน์ต่อสัตว์หลวงพ่อก็จะจะมาให้สับระหว่างพอปลูกไม้ขึ้นมาก็ควรจะสับระหว่างระหว่างเอาไว้เพื่อจะให้มันเพื่อเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ต่อปภายภาคหน้านะ แต่เมื่อวานวันก่อนหนะลวงพ่อก็มาทราบอีกเหมือนกันอยากจะเตือนพาลูกพาหลานเหมือนกันนะ่ะพวกที่อยู่ในกรุงเทพผู้ที่ไม่เคยอยู่ในป่าบอกว่าตรงพ่อทราบว่าพวกคูบาไปไปเห็นงูตะกวดตะกวดถล้ตโตเฮียก็ไม่ทราบละมันไปวนเวียน ใกล้งูเหลือมหลังงูเหลือมแต่กูบาก็ไม่รู้ว่านะั้นคือเป็นหลังมันก็ไปทําไปไข่อยู่ที่นั่นเลงูเหลือมไม่ใช่เล็กนะไม่ใช่น้อยนะใหญ่กก่วดโคกนะโคกเล็ดนะใหญ่กวโคกเล็ดนะและว้วคนตัวที่สองนี่เกือบจะเท่านะั่นนะคกเล็ดเหมือนกันนะสองตัวงูเหลือมสองตัว แต่อตัวเหี้ยแลอตัวตะขวดก็ไม่รู้่ะไปวนๆมันก็คงอยากจะไปกินไข่มันมัง้งมันก็ฟูดฟวดออกมาเลยงูเหลือมนะมันก็คงหวงไม่มีอะไรที่จะหวงยิ่งกว่าลูกน้อยของมันนะไม่ว่าสัตว์ประเภทไหนงูจงอางก็ฟักไข่ก็ดูสิงูเหลือมนะสัตว์ตัวไหนก็ตามถ้ามีไข่มีลูกแล้วมันหวงทั้งหมดขนาดคนก็ยังหวงลูกน้อยตัวเองใช่ โปกไก่โปกนั่นน่ะสู้ตายเลยแหละเห็นคนอะไรจะมาใกล้ลูกของมันมันก็หวงตัว น, นี้มันคือเหมือนกัน่ะถึงจะเป็นงูเหลือมแตมันก็หวงพวกตะกวดเข้าไปวนมั น, นไล่ออกมาพอออกมาพระก็เห็นอมันมาอะไรเห็นแต่ตะกวดวิ่งผ่านพระไปพอเห็นผ่านมาพรไปพระก็คิดว่ามันจะหยุดน่มัน จะไล่พระอีกทีรหนพระก็ต้องได้วิ่งหนีออกมันกั น, นเพราะมันงูเหลือมอตัวผู้ใจญ่พอมาก็เลยมาบอกพระมาชวนพระไปดูมันเป็นอะไรมันเข้าไปตรงนี้แล้วพระก็ถือไมา้ยาวๆเป็นหลายคนพอไปเห็นพอมันเห็นคนมันก็เลยขยับเข้าไปที่ไหนเห็นโห้มันทาไม เห็ดทำไมมันหาเกิดอยู่ในโพรงไม้พอเข้าไปดูที่ไหนได้เป็นไข่งูเหลือมใหญ่เท่ากับป่องโคกหนึ่งเราเัี้ยกระป่องโคกของเราเนี่ย น, น่ะใหญ่ขนาดนั้นยาวขนาดนี้เราเงี้อเป็นสิบกว่าฟองนะแต่มีสองนีเรียงกันอีกมันมีอยู่สองหลังตัวเล็กๆมันก็มีไข่อีกเหมือนกันตัวใหญ่ก็มีไข่ทําไมมัน ไปทำรังใกล้ๆกันหมนเนี่ยก็คงจะปกป้องดูแลอันตรายช่วยๆกันมัน้งมันก็เลยทำไข่อยู่ใกล้ๆกันอยู่ในโพรงอันเดียวกั น, นงูเหลือมสองตัวเนี่ยล้วลุงพ่อได้ยินพระเราเราบอกให้ฟังลุงพ่ออูไม่ได้นะลูกหลา น, นสเจ้าอย่าไปใกล้มันเด้เอเผเผยไม่อยากจะให้พระไปอยู่ในใกล้ๆแถบนั้นอีก พุทธิหลังนั้นน่ยก็ต้องไปตัดญ้าให้ไกลๆตัดญ้าให้ห่างๆจากถนนดูแลให้กว้างไว้แต่ว่าถึงยังไงกลางกลางคืนเนี่ยเราสายไฟเป็นก็ต้องเห็นนั่นแหะแสงของมันมันจะสะท้อนมาจากกับไฟชายนเนี่ยขอ้อสำคัญอย่ไปคุยการก้มหน้าก้มตาไม่คิดไม่อ่านไปนะไม่ได้นะแต่ลุงพ่อขนาดงูขนาดนั้นกินคนไม่ได้หรอกแต่ว่าถึงยังไงมันรัดคนตายได้นะ ถ้ามันโมโหขึ้นมาเลยก็โดดพุ่งมาเลยนะพอกระโดดพุ่งขาบกับขาบกบใส่คนแนละ้วก็วิ่งมือเียงตัวเลยนะรเร็วยิ่งกว่าเร็วนะ่ะจากนั้นก็นลัดตัวเลยเห็นตะคอนะนะ เ, อเห็นตะคอพ้นออกมานะอาพอมันลัดเสร็จแล้วมันยังไม่แล้วไนดะ้หางของมันนะ่เออหางของมันนะแย่เข้าปากเลยไนดะ้แย่เข้าปากสัตว์เพรปากมันอ้าเล มันเอาหางแย่เข้าปากเพื่อให้สัตว์ตายมันจะฆ่าวิธีการฆ่าเขามันหรือแย่แย่เข้าตูดหรือแย่เข้าปากเขาว่างน่ะไอผกสัตว์พวกนี้เน่ยมันมีวิธีกรรมของมันวิธีการของมันเหมือนกันนะเวลามันลัดสัตว์ได้แล้วไม่ใช่รัทธเฉยๆนะชัดกระดูกหักไปหมดกระดูกคนเนี่ยเล้าหักเลยล่ะไอจากหมาในเหมือนกันเห็นแต่หัวของมันโผล่ออกมานะมันรัดเทธหองแหวงทีเดียวเท่านั้นะ พนันพระของเราให้ระวังน้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระจากกรุงเทพเนื่อเื่อซาซ่าไม่ไม่เคยป่าดให้ระมัดระวังอยากไปดูดูทําไมมันก็หวงของมันแต่มันกูกลัวคนยิ่งกว่าอะไรอีกพวกเราจะไปใกล้มันเถอะให้มันอยู่ให้มันอยู่ซะแต่ตามไม่จริงถ้าเราเห็นงูธรรมดาหลวงพ่อจะให้จับอ่ไปปล่อยวัดนาแคร์เนวัดหลวงพ่อศักดิ์ ผมมาวัดมาจัดทีขนวัดหลวงพ่อวันนี้ไปปล่อยวัดนาแขทําไมยังไปปล่อยวัดนาแขเพราะมันมีน้ําแล้วก็เนื้อที่ตั้ง 5,000 กว่าไร่มาติดตีนเขาภูก้อนมันที่กว้างขวางของเราเนะี่ยมีกำแพงล้อมรอบ1300กว่าไร่แต่วัดนาแขหนึ่งห้าพกว่าไร่ผล น, นั้นที่จะไปปล่อยพวกสัตว์เหล่านี้ก็ไม่รบกวนคนไ ม, ไม่ลังแกไม่รบกวนคนเพราะมันที่มันกว้าง เพราะนั้นหลวงพ่อยังไปปล่อยวัดป่านาแครเนี่ยท้งลงไปในน้ําเลยมันเป็นคลองน้ําอยู่ในกลางวัดเพื่อจะได้มันจะได้อาศัยน้ำเพระพวกสัตว์ทั้งหลายแหละต้องอาศัยน้ํำแต่หลวงพ่อทําไมไม่ให้จับข่าวนี้บอกว่าจะพึ่งจะไปจับมันนะเพราะมันมีหลังพอจับขึ้นมาแล้วเอาตัวมันไปก็จริงอยู่หลังของมันจะทํำไงลูกของมัน เ, เดี๋ยวมันจะหนีจากรังของมันอีก ทำบาปทำกรรมกับพวกสัตว์อีกไม่ใช่เรื่องอีกแล้วถึงยังไงมันถึงจะมันจะหวงยังไงก็ตามถ้าคนไปจับไข่ของมันแล้วนะมันก็ไม่ไม่ไว้ใจเหมือนกันว่าอันนี้มันถูกกลิ่นคนแล้วน่ะเพราะนั้นอย่าไปใกล้อย่าไปจับอย่าไปรบกวนมันคิดว่าสงสารมันมันก็คงว่ามันเห็นพระพวกเรามันก็คงจะอู้ พวกลือศีเหล่านี้เป็นผู้มีสินมาอยู่กับลือศีผู้มีศินคงจะไม่เบียดเบียนเรามั้งฮะฮะมันก็เลยมาฟักไข่อยู่นั่นวันนั้นพวกเราอย่าไปรังแกมันลือศีทั้งหลายไปรังแกมันไม่ได้เรื่องนะฮะให้มันออกไข้ซะก่อนยัอยจับมันเพราะว่าเรื่องงูเหลือมเนะี่ยลุงพ่อได้ศึกษามาพอสมควรเพราะลุงพ่อเนี่ยเป็นคนป่า คนป่าคนดงรู้อยู่ในภูผาป่าไม้มางูเหลือมถ้าดูๆแล้วมันเชื่องเชื่องนะไปเหมือนช้าๆนะแต่พอมันจะงับเหยื่อแล้วมันจะสู้กับเหยื่อหรือก็สู้กับศัตรูเนี่ยมันไม่ไม่ใช่งูเหลือมตัวเก่านะมันพุ่งเลยนะเออมันพุ่งเลยมันหดตัวมันเสร็จแล้วมันพุ่งออกไปเลยเนี่ยตัวที่มันพุ่งออกไปแปลว่ามันมันแสดง พลังนี่แสดงความโกรธของมันมันสู้กับอริสตรูของมันเพราะนั้นมันเร็วเร็วมากเลยเา็าวางันนะอันนี้ก็คนพูดหลายคนให้หลวงพ่อฟังแต่หลวงพ่อไม่เคยเจอด้วยตนเองหรอกแต่คนพูดให้ฟังย่งตาแก่คนหนึ่งเคยบวชเป็นเนนอายุมากนะอายุเกือบจะห7เจ็ดสิบแล้วละบวชที่วัดหลวงปู่จามสมัยนั้นเขาเรียกว่า คนที่บวชภายแก่ เ, เขาเรียกว่าเถ็ถ้ายังไม่ครบ20่สิบเขาวันเนเ น, เ น, เนบวชเนเนแต่นี่คนที่อายุมากแล้วบวชเป็นพระไอ้บวชเป็นพระไม่ได้เพราะรักษาศีลรักษาวินัยไม่ได้เพราะไม่สามารถาก็เลยขอเป็นบวชเป็นเนเนขอบวชเป็นเนนเพื่รักษาศีลสิบในบวชเมื่อบวชมาแล้วเขาเรียกว่าตาเถ็น ปวดเป็นเ น, นื้อรักษาสิ้นสิบแต่ไม่ใช่พระนะนั่งเลี้ยงพระนั่นแหละกะโลตะเถนตะเถนสุกนะตะแก่เป็นคนไปนั่นน่ะไปทํางานอยู่ทางแถวเซิงเซาสมัยก่อนสซิงเซาเป็นป่าดงพงภัยหนาแน่นเป็นป่าดงมีลวงเรื่อยไม่รั้เท่าไหร่สมัยเก่าแก่นะเป็นป่าดงหนาแน่นมาก เป็นพวกป่าไม้หอมมั่ ง, ง, งว พ, ว พ, วนะพวกปลาไม้ต่างๆสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยพวกสัตว์ป่าพวกเนี่ยะพวกปลาเน่ตะแก่เขาไปนะี่ไปตักน้ำมันยางก็ไปตัดไปตัดไม้หอมเนะ่ไปหาไม้หอมขายราคามันก็แพงนะสมัยก่อนตะแก่ก็ไปตั้งขนมตั้งขนมคือตั้งกระต๊อบ ตั้งที่พักอยู่ในกลางโรงด้วยกันสามคนพอพอไปหาไม้ปา่าเสร็จแล้วก็ตอนค่วก็ได้เอากระบองหรือตะที่เขาเป็นคบเพลิงคบเพลิงไปหาส่องสัตว์สมัยมันมไม่มีไฟชายหรอกเอาคบเพลิงใส่น้ำมันยางยัดใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วกันนั่นไปหา ใต้สัตว์ไปห า, าพวกกบพวกเขียดพวกปลาอยู่ในคลองอพอไปหาแล้วเขาจะเอามากินนะนะมันปลามันมากพอขึ้นจากฝังฝังห้วยมันตะแก้ว่านะพอขึ้นมาจะฝังห้วยเห็นแต่งูเหลือง ม, มันาภาษาทางเราเ็าเรียกว่ามันดอยมันดอยแล้วผมมันยืด ยืดตัวเน่งยืดตัวทั้งยาวเลยได้นี่แหละคำว่ายืดตัวทั้งยาวนยคนโบราณเขากลัวมากยาเข้าไปใกล้เด็ดขาดถ้ามันยืดตัวยาวแล้วนะอันนั้นแหละคือมันมันจะกินคนมันจะกินสัตว์แหละคำว่าเดือยมันค่องทนะนี้มันก็ยืดตัวยาวอันนี้ก็ครบเพลินกับสองขึ้นไปดูก็เห็นมันตัวยาวโอ้งูออกอดเนี่ยแหละเขาก็มี หน้าไม้เห็นไหมหน้าเก้งหน้าไม้นายจริงสัตว์ออกไปด้วยเขาก็เลยเอาสายของมันสายหน้าเก้งนมาทําเป็นบ่วงมาเป็นบ่วงเพื่อจะคล้องคองูเหลือมตัวนั้น่ะเก็เไม่เห็นว่ามันใหญ่เล็กแต่เห็นแต่มันเห็นแต่มันยาวเหยียดต่นนี้กำลังจะคล้องมันตัว น, นั้นแหละไอ้คนที่ถือไม้คล้องน่ะหงายหลังเลยว่างอนกันแต่ไอ้คนที่ส่งสองคบเพลิงยังไม่เห็น วันทําไมไอ้นี่มันทําไมหงายหลังแต่ที่ไหนได้ไอ้ที่จะใช้ไม้ไปคล้องมันไม้ที่จะไปคล้องคอ ง, งูนั่นน่ะที่ไม้ถือไม้ไปใช้เชือกไปที่จะไปคล้องไม้ ย, ยาวๆประมาณสักสองสามเมตรนมันพุ่งออกมาเลยพุ่งมามันมาตำ่ำเคนให้หงายท้องเลยงูกระโดดต่าลงไปในน้ําน้ําหนองเล็กๆอยู่ข้างๆ ไอ้ตาแก่เนี่ก็ลงไปเป็นนอนหลังงูเลยวะงูมันก็รัดแต่มันรัดไม่ได้เพราะมันมันนอนหลังของมันพอนอนึมีแอันนี้ก็มีแต่หายท้องไอ้อันนี้ก็งงเอยไอ้คนที่สองไฟให้มันเป็นนอนจะทําไมวะพราะฉะนั้นกระโดดมันกระโดดจุมลงไปในน้ําอีกมันกระโดดลงไปในน้ําอีกงูเหลือมมันลางไว้เร็วนะท่านเะางั้นเอลงไปในน้ํำไอ้สองหนุ่มนะก็คนเดินตายน่ยมันไม่เมกกลัวเด้ ถือมีดไปคนละเล็บลงไปไปหาย่ำลงอีกนะจะให้ไปเหยียบหลังมันจะเอามีดฟันหลังมันอีกเหงือนกะจะเอางูงเหลือมมากินอีกคนน่ะนะ <c oughs> หนุ่มหนุ่มเดินตายคนกำลังยี่สิบสามสิบปีเนะี่ยมันไม่กลัวอะไรเลยลงไปไปพ่ไม่ได้หรอกไปขึ้นหนาวอนพอกลับขึ้นมาก็เดินมามาหาที่พักก็ไม่ห่างเท่าไหร่ประมาณสัก ไม่ถึงคือประมาณจะครึ่งกิโลนี่แห ล, ละก็เลยมันขึ้นไปกิดเปลี่ยนผ้าแล้วก็เลยขึ้นไปนอนพอขึ้นไปนอนไม่มีฝาที่พักก็ไม่มีฝ า, าไม่มีอะไรขึ้นนอนก็นสามคนเรียงกันก็นมีหมาตัวหนึ่งหมากําลังเริ่มจะเป็นหนกเน่ยอยู่ข้างล่างพอกําลังนอนจะเคลิ้มเคิ้มหลับท่านั้นเราได้ยินแต่หมามาล้อ ง, ง, งทีเดียว พ่องแหงนั่นก็รู้แล้วว่าเสือมาตะคุบหมาเนี่ยคือเนี่ยอันนี้คือมันอยู่ในป่าเนี่ยมันต้องที่ว่าเป็นเสือเนี่ยเสือตะกูดเสือดับเนี่ยมาตะคุบหมาเนี่ยสามหนุ่มเนี่ยกิกันโดดกันคนละข้างเนี่ยพร้อมกับมีดคนละเล่มเลยงั้นกันเกันโดดไปคนละทางโดนไปคนละทางเนี่ยยังเงียบอยู่ก็จะจุดไฟพรจุดไฟสองขึ้นไปดูที่ไหนได้งูเหลือมงูเหลือมตัวนั้นแหละตัวที่มัน ที่มันมันรัดคนไม่ได้เนี่ยมันตามมาอีกมันถูกกินคนตามมาพอตามมาเสร็จแล้วก็มาสู้กันมันมาลัดหมาก่อนถ้าว่ามันไม่เห็นหมานะมันก็คงจะขึ้นไปเล่นงานคนนะะงั้นเถอะอ้นี่ยอันนี้มันมันไปเห็นหมาอยู่ใต้ใต้ถุนขนมซะก่อนอที่กระต๊อบน่ยมันก็เลยไปลัดหมาอยู่นั้นพอรัดหมาเสร็จแคนก็โดดลงไปกัน สองไฟขึ้นไปดูอา้าวฟันเฟันก็ยังไปเลือกที่ฟันเลยจะไปฟันที่ตรงบีดีมันแนางันออพอเสียดายดีมันอีกต่างหากคนนัน้หนุ่มไม่ใช่ธรรมดาเลยเอผลในสูงก็มีดฟันฟันก็ไปถูกดีมันพอดีอีกแล้วกันนะเลยงูตัวนั้นก็เลยตายใหญ่ขนาดไหนหเราทำขนาดเท่าขางูตัวนั้นใหญ่เลย แต่ผอมเหม น, นเป็นงูผอมแปลกอยู่นะ <c oughs> ก็ไม่งูไม่อ้วนเท่าไหร่ก็ไม่ถึงกระขั้นผอมมากแล้วนี่พอมันตายเข้นมาแล้วท่นี้ก็เลยตอนเช้ามาเลยอ้าวไปพอฆ่ามันตายแล้วก็นปะตัดหัวมันทิ้งตัดหัวมันนะขึ้นไปนอนต่อพอพรุ่งนี้เช้ามาก็เลยไปก่อไฟขึ้นมาแล้วกิดเขาเรียกอะไรเขาเรียกหลามหรือหลนนะ่ะ เออหลนมันเลยแล้วงั้นเออเพื่อจะตัดให้เป็นท่อนๆเอามาเป็นอาหารแต่ละวันแต่ละวันงูเหลือมเนละพอไปหลามเท่านั้นหละเอาไปล้างน้ำโอ้มันเหม็นขาวผิดปกติเลยงูตัวนั้ไม่เคยเห็นว่า ง, งูงูงูตัวไหนเหม็นขาวถึงขนาดนั้นแต่แกว่านะเหม็นขาวแบบกินไม่ได้เลยแต่โยนทิ้งเลยสงสัยงูตัวนี้ คงจะเคยกินคนมาก่อนเนยคิดได้เพียงแค่นั้นันมันคงจะเคยกินคนมาแล้วมันยังเคยมันยังเห็นคนมันยังเอ่อมันจึงอยากจะเอามันอยากจะกินคนเหมืนั้นนี่แหละพราะนั้นพวกเราให้รู้ๆเอาไว้นะพูดทางนี้ทางนั้นให้ฟังนะี่ก็คือชั้นเชิงเล่เหลี่ยมงูเหลือมไม่ใช่ธรรมดาพูดง่ายๆให้ร ะ, ระวังเอาไว้เออมันลักษณะไหน งูมันจะต่อสู้กับคนงูลักษณะไหนที่มันไม่สู้กับคนถ้ามันขดอยู่ธรรมดานะ่ถ้าคนเข้าไปนะไปเห็นมันขดอยู่เป็นเหมือนกระจอมปลวกนะเนีกองอยู่มีแต่หัวมันนอนหัวมัพาดเดี๋ยวนอนนะนั่นแหละตัวนั้นไม่เป็นไรโดยมากเขาฆ่ามันฆ่าอย่างั้นนะ่ะพวกผ่านป่าเนะเขาจะหาไม้ขนาดเท่าแข้งเนี่ยมาแล้วก็สอดเข้าไป เขาก็เกีเ้ยวหมุนหมอนหมุนหมอ น, นเข า, านะเอะนอพอมันก็ะเดอเอาคอมาผาดไม้เขาอะนะพอมาผาดไม้เท่นั้นนะพวกนี้ไม่มีเมตตาเลยมีแต่จะกินสัตว์เท่านั้นนะพอคอมันมาผาดไม้บอกให้มันมาหมุนหมอนเฮ้ยมันก็คอเดคอดอยมาผาดกระหมอนนะพอได้จังหวะนั้นมีด ต, ตัดคอมันเลย น, ะนั่นแหละนี่นแหละ สัพพสัตมนุษย์ทั้งหลายไม่ให้บาปกรรมขู่ไปเลฆ่าสัตว์ทำอย่างนั้นแหละหนึ่งหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อกระสลดหดหูเหมือนกันได้ยินพอตัดคอปดคอขาดกระเด็นเขาว่างูเหลือมไม่ตายเกือกเลือดเขาวะนะ่าพอโป๊ดมันไหลไปเลยไนดะ้ไหลลุยลุยลุยลุยลุยไปออพอมันห่างจากที่มันเลือดไหลน่ะนูน่นไปดิน่นอยู่นูนนะ่น ตัวฟัดตัวเวียงโตฟัดตวเวียงกระเด้งกระดอนนะเอียกว่างูเหลือมไม่ตายเกือกเลือดเนี่ยคนโบราณเขาพูดนะไอ้คําเป็นคําพังเผยฮล้ายๆวะนักเกรงเนี่ยไม่ตายไม่ตายอยู่กระเท่เพราะงั้นลักษณะอย่างนั้นแหละอันนี้ก็งูเหลือมไม่ตายเกือกกลัวกับเลือดนะอันนี้ก็คือถ้าเป็นลักษณะนั้นอ่ะงูตัวนี้จะไม่มีพิษมีภยัยถ้ามันนอนอยู่อย่างนั้นงูมันเด้งอยูน่นะ นัแลนะงูที่มันกำลังสแสวงหาอาหารของมันอันนี้ก็บอกให้พวกเราได้รับรู้รับทราบเพราะชีวิตการอยู่ป่าต้องเรียนรู้เรื่องธรรมชาติตัวไหนเป็นพิษเป็นภัยไอ้่างงูจงอางเนี่ยถ้ามันกกไข่ฟักไข่อันนั้นอันตรายอย่าเข้าไปใกล้เด็ดขาดตอนนั้นสู้อย่างสุดๆแต่งูจงอางเนี่ยแล้วก็พิษร้ายแรงต่างหากทั้งไคร ถูงงูจงอางฉกกัดในขณะที่ที่มันกกนะไข่น่ยแปลว่าไปไม่รอดวิ่งไปหน่อยเดียวตายเลยล้มตึงเลยเพราะอะารเพราะว่างูไม่ได้ปล่อยพิษใส่สัตว์ถ้าว่าปล่อยพิษใส่สัตว์แล้วปล่อยพิษเข้าสัตว์แล้วพิษมันหมดพิษมันน้อยกัดคนก็ไม่พิษก็ไม่มากแต่ถ้าว่าพิษมันไม่ได้กัดสัตว์อยู่อยู่ฟักกกกลางอยู่นั้นแหละพิษจะมากมันจะปล่อยพิษออกจาก สีสะดูหัวของมันนะตายเลยคนนะงูงูฟักไข่จะเป็นพิษมากกว่างูธรรมดานะอันนี้นะ่ะชีพิตของชาวป่าเขาจะเรียนรู้กันเกี่ยวกับสัตว์ที่เป็นพิษที่เป็นที่ร้ายแรงอันตรายแต่ถึงยังไงเราไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเรามีไฟฉายอยู่ในป่าด้วยความระมัดระวังเดินไปก่อนฉนะายไฟส่องไป งูทั้งตัวมันก็ไม่ใช่เป็นพิษทาเป็นภัยมีตะเขี้ยวสองเล่มมันเท่านั้นแหะที่น่ากลัวนะนอกนั้นตัวยาวขนาดไหนก็ไม่น่ากลัวแต่งูเหลือมอือน่ากลัวหน่อยเพราะมันรัดนะมันรัดกลแต่ว่าถึงยังไงก็ตามถ้าเห็นงูเหลือมถ้าจะไปจับมันต้องหลายคนนะถ้าน้อยคนไม่ได้นะพอไปจับรัดไปจับคล้องมันได้เลยหางมันเวียงนะต้องหลายคนยช่วยกันจับถ้าจะจับนะ ถ้าอย่างน้อยสองคนก็นยังไม่เพียงพอต้องสี่คนไอ้คนสี่คนก็นเหมือนกันต้องคนที่ ใ, ใจกล้าไม่เช่าเห็นงูกดุดิกระดูกกระเดงแล้วก็ จ, กกจักกระจี้แล้วก็ไม่ข้ากล้าเข้าไปนะั่นะทำให้งูเนะี่ยรัดคอไอ้องทิ่กาศานะ่ตายก่อนเพื่อนนะจากนั้นกันนะพวกนี้กันมีดกระโดดหนีไม่กล้าเข้าใกล้มันเคยมีอีกเหมือนกันลักษณะอย่างนี้ เพระนั้นให้พวกเรานะที่งูเหลือมอย่างที่ว่านะเอาไว้นั่นแหละอย่าเข้าไปใกล้มันทางว่าไม่ปลอดภัยกุณติดลังนั้น mm hmm. ก็ไม่ควรจะไปอยู่อีกต่างหากหลวงพ่อบอกเพราะอันตรายอันตรายถึงชีวิตมันก็เป็นหลังของมันมันก็อยู่ไม่นานหรอกมันอยู่กกไข่อยู่ในระยะหนึ่งมันก็คงจะไปล่ะแต่หลวงพ่อว่าเอฟ้าแล้งฝนแรงนี่อาจจะงูเหลือมตัวนี้นะ่ะ มันมีไข่หรือเปล่าเราจะไปตําหนิมันก็ไม่ได้นะครายๆว่าสับพสัตว์ทั้งหลายมันรู้จังหวะว่ามันมองขึ้นท้องฟ้าเนช่วงนี้ฝนจะไม่ตกนะเราควรจะวางไข่ได้เลยมันก็วางไข่แต่คนก็เข้าใจว่าพวกงูกทั้งหลายไขออกมาแล้วค้าฟ้าค้าฝน เ, าเราจะไปหาฆ่ามันทนเลยมันไม่ใช่ใครายๆมันเป็นมันรู้ธรรมชาติ ว่ช่วงนี้ฝนจะไม่ตกนะเราควรจะวางไข่ได้เนะี่ยมันก็วางไข่เหมือนกับมดทั้งหลายนะถ้าเราเห็นหมดขนไข่ขึ้นที่สูงนะจอมปวกบางที่สูงบางที่มันขึ้นไปทางสูงเราให้รู้ว่านี่ฝนจะมาแล้วนะฝนจะตกพรามันขนไข่ขึ้นหาที่สูงหาที่หลบถ้าหากว่าเราเห็นหมดทั้งหลามันขนไข่ลงไปที่ต่ํา มดขนไข่ลงไปที่ต่ําเห็นขนข้าบไข่ลงหาที่ต่ําเราให้รู้ว่าเอออันนี้ฟ้าฝนคงจะแล้งช่วงนี้มันคงจะขนไข่ลงไปหาที่ชุ่มชื้น เ, เพื่อดูแลไข่ ข, ของมันให้เป็นที่ชุ่มชื้นอที่ชุ่มนี่แหละธรรมชาติของมันมันมันบอกคนโบราณเขา เขามองเขาสังเกตพวกสัตว์พรสัตทั้งหลายสัตว์ตบางทีมันรู้กว่ามนุษย์นะอย่างใช่ไหมสีนามิใช่ไหมสีนามิเมื่อภาคขาวที่แล้วพอสีนามิจะมาไอ้พวกวัวพวกควายอยู่ในหลักที่เขามัดไว้ก็โอ้โหกระโดดโล ด, ดเต้นอ้พวกเต่าพวกอะไรก็ขึ้นมาจากทะเล ขึ้นมาคลานขึ้นมาหนีขึ้นมาพวกปลาเหมือนกันดิ้นอยู่ฝั่งแต่พวกสัตว์อยู่ในบกนี่นก็ อ, อมัดไม่อยู่พอปล่อยเท่านั้นเว้งหนีอ้าวเลยแต่มนุษย์เนี่ชอยพอน้ํามันลดลงไปยังวิ่งไปไล่ไปจับปลายโอ้โหทำไมน้ําลดขนาดนี้เลยพอมันขึ้นมันขึ้นมาครั้งที่สองเท่านั้นโอ้โหแปลว่าพวกนั้นแปลว่าเป็นอาหาร ของเต่าของปลาทั้งหมดพญานาคลากลงไปนู่นไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะนี่แหละสลับสรุปแล้วก็คือสรพรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเขารู้มันคงจะกระเทือนในแผ่นดินกระเทือนในแผ่นดินมันรู้ธรรมชาติของมันแต่ตามไม่จริงพ่อแม่มันสอนพ่อแม่มก็ไม่ได้เกิดมาแต่ทําไมมันรู้ยังไงก็ไม่รู้นะนี่แหละ อันนี้ก็คือสัตว์ทั้งหลายในโลกไม่ใช่ว่าเราจะรู้ทุกอย่างนะเราเป็นมนุษย์นะข่าในฉลาดกว่ารู้หมดทุกอย่างไม่ใช่นะบางทีเราก็โง่กว่าสัตว์ก็มีนะเพราะนั้นท่านจึงอย่าไปทะนงตัวพวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์ให้ฟังซ้ายฟังขวาฟังหน้าฟังหลังฟังสูงฟังต่ำํำฟังทุกอย่างเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้นะ เพราะสิ่งที่เราไม่รู้มีตั้งเยอะแยะในโลกนีนเราอย่าไปคิดว่าเรารู้ทุกอย่างนะรับผ่อนนะทีนี้อนุมโมทนาให้พ่อ